上上风云江山，总立功不同。 จันทารามหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าวัดท่าสุ่มพุท ธ, ธสถานอันเต็มไปด้วยสารพันแห่งความวิจิตรงดงามตรการตาผลงานภายใต้การรังสรรค์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปพรมยานเถระหรือในนามซึ่งเป็นที่กล่าวขานรู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำ เป็นที่ทราบกันดีด้วยหาใครก็ตามที่จะมีโอกาสก้าวเข้ามาสัมผัสจุดหนึ่งของวัดที่จะขาดเสียไม่ได้ในการแวะเวียนมาเยี่ยมชมและสักการบูชาพระวิหารขนาดใหญ่ซึ่งตั้งเด่นตระงานอยู่ณบริเวณใจกลางของวัดพระวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธปฏิมากรเทีอนแก้วองค์ใหญ่ซึ่งหลายต่อหลายคนต่างก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันถึงความวิจิตรงดงาม อันหาที่เปรียบไม่ได้โดยในยามที่าศาสส่องต้องรับกับแสงไฟตัวเรือนแก้วจะเปล่งรัศมีทองประกายตัดรับกับองค์พระสีทองสุกกลังพอเป็นลําแสงสะท้อนระยิบระยับจับตาไปรอบสารทิศยังความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ที่ได้มีโอกาสมาพบเห็นพระวิหารใหญ่แห่งนี้จึงมีชื่อเรียกขานตามพระนามแห่งองค์พระพุทธปฏิมากร ที่ประดิษฐานอยู่ภายในว่าวิหารสมเด็จองค์ปฐม จึงก่อเกิดเป็นคำถามถึงความหมายและที่มาของคำว่าสมเด็จองค์ปถมด้วยหลายคนยังมีความเชื่อและความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านั้นได้อุบัติขึ้นเพียงพระองค์เดียวในโลกซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานเถระท่านเคยเทศกล่าวกับบรรดาศิสยานุสิทธิ์ไว้ว่าในความเป็นจริงนั้นบนโลกของเราใบนี้ ได้มีการบรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิยามเป็นพระพุทธเจ้ามาแล้วกว่าหลายแสนพระองค์แต่พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นองค์ที่มีความสําคัญสูงสุดยิ่งด้วยพระพุทธองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกที่ได้ทรงอุบัติขึ้นเป็นต้นพระวงศ์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งยังทรงเป็นพระพุทธเจ้าที่ถือได้ว่าลําบากยอดยิ่ง ควาพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆด้วยความเป็นองค์ต้นกล่าวคือในการนั้นยังไม่ปรากฏมีพระพุทธเจ้ามา ก, ก่อนจึงปราสจากซึ่งแบบอย่างพระพุทธองค์จึงต้องทรงพระวิทยะอุตสาหะอย่างสูงสุดโดยทรงใช้เวลาอันยาวนานถึงสี่สิบอสงไขยกับในการบาเพ็ญพระบารมีเพื่อแสวงหาพระโพธิญาณด้วยพระองค์เองดังนั้น จึงควรอย่างยิ่งในการยกย่องและสถาปนาพระพุทธองค์ว่าทรงเป็นสมเด็จองค์ปฐมบรมครูอย่างแท้จริงทั้งนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านยังเล่าให้ฟังอีกว่าสมเด็จองค์ปฐมนั้น แท้จริงแล้วพระองค์ทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระพุทธสิกขีแต่ด้วยองค์สมเด็จพระบรมศาสดาที่ทรงตัดสั้ผ่านไปแล้วนั้นมีพระนามนี้อยู่ด้วยกันถึงห้าพระองค์จึงได้เรียกขานพระนามของสมเด็จองค์ปฐมว่าพระพุทธสิกขีที่หนึ่งซึ่งเรื่องราวพระประวัติของพระพุทธองค์นั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เล่าต่อไปว่า สมัยที่สมเด็จองประสมบรมมขหลท่านทรงอุบัติขึ้นในโลกนั้นมนุษย์มีอายุขยยืนยาวถึงประมาณ80 0 0มื่นปีพระพุทธองค์ท่านทรงสเสด็จออกมหาพิเนสโตรเมื่อทรงมีพระชนมายุได้สี่มื่นปีหลังจากทรงผนวดแล้วเป็นเวลาอีกสองมื่นปีในการบำเพ็ญพระบรมีจึงได้ทรงบรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณ แตสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกของโลกทั้งนี้พระพุทธองค์ได้ใช้เวลาโปรดสั่งสอนเหล่าบรรดาเวนยัยว์เป็นเวลาอีกสองมื่นปีจึงได้ทรงสเสด็จ ด, ดับขันปรินิพพาน ประวัติความเป็นมาในการสร้างพระวิหารและพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมนั้นเริ่มต้นขึ้นณวันแรกที่พระเดศพระคุณหลวงพ่อท่านได้มีโอกาสพบและน้อมกราบนมัสการพระพุทธองค์ท่านเป็นวาระแรกในคืนนั้นพระเดศพระคุณหลวงพ่อได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณพุทธศักราช2511ขณะที่ท่านไปพักอยู่ที่บ้าน ผลอากาศเอกอาทรโรจนาวิาพาทกำลังเจริญพระกรรมฐานเป็นปกติสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้พันปรากฏกล่าวคือหลวงพ่อได้เห็นพระพุทธเจ้าในปางพระนิพพานยืนสองแถวยาวเหยียดไปข้างหน้าและทุกพระองค์ล้วนแต่พนมมือยังความประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งโดยตามพุทธประเพณีแล้วนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านจะไม่ก้มศีรษะหรือพนมมือไหว้ผู้ใดครั้นแล้วก็ปรากฏภาพหลวงปู่ปานขึ้นข้างๆองค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยหลวงปู่ปานได้กล่าวกับหลวงพ่อว่านี่ิมัใช่อุปท า, านอีกประเดี๋ยวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์กระถมจะเสด็จมาจานั้นประมาณห้านาที ปกปันปรากฏมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งคุณลักษณะรูปร่างใหญ่โตและสูงมากทรงเสด็จมาในปางพระนิพพานผ่านกลางระหว่างพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ซึ่งทรงต้นสูงสั่งและพนมมือแสดงความเคารพอยู่ก่อนแล้วพระพุทธเจ้าองค์ประท้วได้ทรงตรัสกับพระเดชพระสุตตหลวงพ่อความว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป การจะสอนพระกรรมฐานก็ดีจะเทศแสดงธรรมมากก็ดีในประเดชพระคุณรวมข้ออาราธนาพระพุทธองค์ท่านเสกกรท่านจะให้พูดตอนไหนจะให้เทศตอนใดจึงค่อยว่าไปตามนั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรนทั้งหลายวันนี้มาต่อกัรเรื่องสิดังนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชาปรมยานเถระจึงได้คิดจังหวที่จะรอพระรูปของพระพุทธองค์ท่านขึ้นมาโดยได้อาราธนาทูลถามพระองค์ท่านว่าถ้าจะปั้นรูปของพระพุทธองค์พระองค์เห็นควรว่าจะให้ปั้นแบบใดสมเด็จองค์ประสมบรมครูจึงได้ทรงแสดงพระพุทธลักษณะให้ดูเป็นเหมือนพระพุทธรูปปั้นเรือนแก้วปางพระพุทธชินาราช ซึ่งมีความเป็นจริงพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เล่าให้ฟังอีกว่ารูปจริงๆที่ให้ปัน้นไม่เหมือนกับรูปจริงกล่าวคือไม่เหมือนกับรูปพระพุทธองค์ในสมัยที่ทรงเป็นมนุษย์และไม่เหมือนกับรูปที่พระนิพพานแต่ถ้ว่าเป็นรูปที่พระพุทธองค์ทรงต้อ ง, องการท่านทรงมาแสดงพระพุทธลักษณะให้เห็นเช่นนี้อยู่ถึงสามวันจนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสามารถดูได้อย่างละเอียด พร้อมกันนั้นหลวงพ่อได้กราบอาราธนาขอบารมีของพระพุทธองค์ว่าในเวลาที่ช่างจะปั้นขอพระพุทธองค์ได้โปรดดลจิตจนใจให้เป็นไปตามพระประสงค์ซึ่งในที่สุดเมื่อนายประเสริฐแก้มณีช่างปั้นได้ปั้นเสร็จก็รบว่าเหมือนตรงกับรูปที่พระพุทธองค์ได้ทรงมาสแสดงให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เห็นจริงๆ และเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้ในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุที่จะนำมาบรรจุไว้นั้นเมื่อแรกเริ่มพระเดิจพระคุณหลวงพ่อพระราชกรมยานติระท่านได้มีความเห็นว่าเวลาผ่านล่วงมานานแล้วพระบรมสารีริกธาตุ ของสมเด็จองค์ปฐมนั้นคงจะหาไม่ได้เป็นเหตุให้ต้องนําพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จองค์ปัจจุบันมาแทนแต่แล้วคืนหนึ่งในขณะที่พระเด็จพระกุหล่อลพ่อกําลังจะเคลิ้มหลับนั้นรันได้ยินเสียงกล่าวว่าพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จองค์ปฐมเอามาให้แล้วนะวางไว้ที่ตลับบนเตียงข้างๆหัวนอนซึ่งเสียงนั้น ชัดเจนแจ่มใส ย, ยิ่งคล้ายพระสุรเสียงแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันจากนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงตัดสินใจลุกขึ้นมาดูและพบว่าได้มีตลับพลาสติกใบหนึ่งวางอยู่ครั้นเมื่อเปิดออกดูก็ยังความปิติอินดีแก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งด้วยภายในบรรจุไว้ ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุองค์โตถึงสององค์และเป็นที่ชัดเจนว่านี่คือพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐมบ ร, รมครูอย่างแน่นอน และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวพร้อมด้วยประวัติความเป็นมาแห่งพระพุทธปฏิมากรหน้าตักสี่สอบซึ่งหล่อด้วยโลหะผสมทองคํามีตัวเรือนแก้วและผ้าทิตระดับระดาเต็มไปด้วยเพชรขัดพื้นวิหารด้วยนิอยางดีจากการจนบุรีจำนวนหกปันซึ่งมีพันเอกในแพทย์นบพรและพันเอกทันธแพทยหญิงเตือนใจกลางสุภา พร้อมคณะชาวจังหวัดกาญจนบุรีนำมาถวายบูชาสักการะสมเด็จองคมกฐบรมครูจึงนับเป็นพระพุทธปฏิมากรที่เตรียมไปด้วยความงดงามวิจิตรการตาเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ในส่วนของพระวิหารพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ปราศรัยว่าอยากจะให้มีลักษณะดูคล้ายกับวิมานของพระพุทธองค์ท่านจึงได้สั่งให้มีการประดับประจก ทั้งภายในและภายนอกยังความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ที่ได้มีโอกาสมาพบเห็นยิ่ง น, นักทั้งนี้งานพิธีเททองเพื่อล่อพระพุทธปฏิมากรสมเด็จองค์ปฐมบรมครูได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่สิบห้ามีนาคม พุทธศักราช2535โดยงานพิธีเริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา18นริกาของวันที่14มีนาคมซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานเถระได้ทาพิธีบวงสวงณพรมพิธีเททองหน้ามหาวิหารร้อยเมือ มนตั้งักสุขารีขันตินัป t ันำคติันตุวันตุวัันเรสนุธระนตภตตััั จากนั้นในวันที่15มีนาคมเวลา8นาฬิกา พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ทำพิธีบวงสวงที่ประรำพิธีเททองอีกครั้งต่อมาเวลาสิบสีนิกาโดยประมาณจึงเริ่มพิธีเททองโดยมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโคส า, าจารย์ฟื้น ชุปินทโรวัดสามพยาท่านได้มาเป็นประธานจับสายฝินในการหลอก พิธีเททองซึ่งทองคำที่หลวงพ่อได้เทลงในเบ้ารอสมเร็จอ์ปถมนั้นเป็นจำนวนทั้งสิ้นว่าเจปกิโลกรัมอันนับได้ว่าเป็นจำนวนมากที่สุดในการเททองของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ I will be there. มาด้วยกันเลยไปด้ยันเลย ये भी मिलेगा वहां पर और वहां पर ดีๆนะปุริยาดิสังละชาตะตาโทวะสาสิกันตพรานางาจุสติตถาคามยจโรเพวิเศษดาติจันนิเสวิมานียวิเศษฤทธิยาตามยทุรนานิเสอาวะจ ครั้นต่อมาในวันที่ส6บหกพฤษภาคมพุทธศักราช2535หงานพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปสมเด็จองปฐมขึ้นประดิษฐานบนแท่นภายในพระวิหารก็ได้ถูกจัดให้มีขึ้นกล่าวคือในวันนั้นหลังจากพิธีบวงสวงตอนเจ็ดนาฬิกาแล้วพระเดศพระคุณหลวงพ่อได้เดินขึ้นไปบนวิหารเพื่อทำการอัญเชิญ พระพุทธปฏิมากรสมเด็จองปฐมบรมครูขึ้นสู่ฐานชุ ก, กชีประดิษฐานบนแท่นภายในพระวิหารท่ามกลางผู้คนคุทธบริษัทษที่เดินทางเข้ามาร่วมพิธียางมากมาย และในปีพุทธศักราช2536แม้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชิตรมยานเถระอันเป็นที่เคารพสักการะสูงสุดของเหล่าบรรดาศิษยานุสิตท่านจะมรณะภาพไปแล้วก็ตามหากว่าท่านพระขู่ประหลัดอนันตพัทยานุเจ้าวาดองค์ต่อมาท่านยังคงได้สืบทอดในเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยจะให้มี งานพิธีบรรจุพระบรมส า, ารีริกธาตุในพระเกศมาลาของพระพุทธปฏิมากรสมเด็จองค์ปถมขึ้นในวันที่14มีนาคมหลังจากบรรดา ญ, ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้มีโอกาสทําการส่งงามพระบรมส า, ารีริกธาตุของสมเด็จองค์ปฐมมรรมครูที่พระมหาวิหารร้อยเมตรแล้วนั้นเวลาประมาณ 12.15 นาที ท่านพระครูปหลัดอนันต์จึงได้กราบอาราธนาท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ฟื้นชุตินทโรวัดสามพระยาเป็นประธานในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในพระอกทองคําครั้นเมื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองประถงลงในพระอกทองคําเสร็จแล้ว จึงได้มีการนำไปประดิษฐานไว้ในเจดีย์แก้วครอบอีกชั้นหนึ่งจากนั้นท่านพระครูประหลัดอนันต์พร้อมด้วยเหล่าพระสงฆ์และบรรดาคุท ธ, ธบริษัททั้งหลายได้ร่วมขบวนแห่อันเชิญพระบรมธาตุไปยังพระวิหารสมเด็จองค์ปฐมโดยมีวงโยธวาทิตย์ของนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยานำขบวน จากนั้นพระชัยวัตรอาชิโตจึงได้อัญเชิญพระเกตมาลาของพระพุทธปฏิมากรสมเด็จองค์ปฐมซึ่งประดิษฐานอยู่บนผานทองชั้นสูงสุดของโต๊ะหมู่บูชามาถวายแด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จเพื่อทําการอัญเชิญพระอกทองคำซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปถมบรมครูมาใส่ไว้ในพระอกทองเหลืองอีกชั้นหนึ่งก่อนจะอัญเชิญบาบรรจุไว้ ในพระเกศมาลา <_ d ood le> ครั้นเมื่อแล้วเสร็จท่านเจ้าประคุณสมเด็จจึงได้มีบัญชามอบหมายให้ท่านเจ้ า, าวาดเป็นผู้แทนองค์ท่านในการอัญเชิญพระเกศมาลา ไปทําพิธีสวมบนพระเศียรของพระพุทธปฏิมากรสมเด็จองค์ปฐมซึ่งในระหว่างนั้นพระสงฆ์จำนวนเก้ารูปพร้อมกันสวดทยันโตเป็นอันเสร็จพิธีในการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จท่านได้ปรารดไว้ว่าพระองค์นี้บูชาให้ดีจะมีลาบมาก จิล่นสรับ็ตะดับรเพรับพวงาันดพวาัยรองมอนกันสำัดับเลยออกมา นัาเป็นพระพุทธปฏิมากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อบวรพุทธศาสนาด้วยเป็นเสมือนพระพุทธสัญลักษณ์แห่งสมเด็จองคระถมปรถมวงแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ดังนี้ระเดจพระคุณหลวงพ่อพระราชพรรมยานเทระท่านจึงได้ปลาด ถ, ถึงอนิสงส์เกี่ยวกับการบูชา สมเด็จองค์ปฐมบรมครูไว้ว่าการได้กราบสมเด็จองค์ปถมจะมีอนิสงส์เสมือนหนึ่งได้กราบพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทั้งยังกล่าวถึง อ, อานิสงส์ในการสร้างหรือร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมบรมครูไว้ด้วยว่าอานิสงส์นี้จะนำมาซึ่งเหตุอันเป็นปัจจัยให้ปรากฏชื่อของบุคคลผู้นั้นไว้ในบัญชีเล่มทอง อันเป็นบัญชีเฉพาะกิจสำหรับบุคคลผู้ไม่กลับกล่าวคือเป็นบัญชีมรคผลของบุคคลผู้ซึ่งไปแล้วไม่กลับดับสนิทซึ่งความทุกข์เสวยความสุขอันยอดเยี่ยมในดินแดนที่มีชื่อว่าพระนิพพาน